พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเรานับถือพระพุทธศาสนานี่ก็เพราะเรารู้เราเข้าใจว่าคำสอนของตัวเจ้านี่ เมื่อผู้ใดปฏิบัติตามแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้นั้นให้พ้นทุกข์พ้นภัยทางต่างไปได้เรื่องอย่างนี้นี่มันก็ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติไปทำไปมันก็จะเห็นผลไปด้วยตนเอง ไม่ใช่ว่าเพียงแต่เรียนจำเอาคำสอนได้แล้วเท่านั้นไปนั่งอ้อนวอนอธิษฐานถึงคุณพระธนากรขอให้ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วตัวเองไม่ลงมือปฏิบัติตามเช่นนี้นี่มันเป็นไปไม่ได้ศาสนาของพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนขอร้อง ศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้คนเราสร้างบุญให้ขึ้นในใจของตัวเองสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในใจของตนเองแล้วสิ่งใดมันชั่วร้ายซึ่งรุ่มหลวงทำมาแต่ก่อนนั้นก็พยายามละมันออกไปไม่ใช่จะไปอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยปัดเป่า บาปกรรมความชั่วร้ายต่างๆออกไปจากกิจใจโดยตนเองไม่ได้พยายามลับพยายามถอนเลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้อืสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ใดๆในสากลโลกนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาขับไล่ความชั่วออกจากกายวาจาใจของคนได้ไม่มีอื มันต้องเข้าใจอย่างนั้นข่าววัดลัทธิในโลกนี้มีอยู่มากมายเหลือเกินนะละทัทธิเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อความสุขสวัสดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตผู้ใดคิดใจอย่างไรเห็นอย่างไรก็ลงมือปฏิบัติทำไปอย่างนั้นตามความรู้ความเห็นของคณาจารย์ต่างๆในโลกนี้ ในโลกนี้นี่มนุษย์เราเนี่ยมันก็มีหลายระดับแต่พวกที่มีสติปัญญาน้อยมันก็ตรงไปอาศัยพึ่งคนที่มีสติปัญญามากอันนี้เป็นธรรมดามาแต่ไหนแต่ไรทีนี้คนมีปัญญาบางคนหรือบางพวกปัญญานั้น มันมีอวิชชาแทรกแสงเข้าไปด้วยมันอาจรู้ผิดไปก็ได้ทีนี้มันรู้ว่าทางนี้เป็นทางแห่งความสุขแต่แท้ที่จริงแล้วมันกลายเป็นทางแห่งความทุกข์ไปก็มีในความรู้นันเป็นส่วนโลกีนี่เป็นของไม่แน่นอนอืมเพราะฉะนั้นในการามาสูตรนั้น พระศาสดาจึงได้สอนไว้ว่าอย่าไปเชื่อโดยเข้าใจว่าผู้นี้เป็นครูเป็นอาจารย์ของตนมาแต่ก่อนอย่างนี้นะ <c oughs> บางทีครูอาจารย์นั่นอาจเกิดความผิดผิดขึ้นมาเนี่มาสอนคนอื่นต่อไปก็ได้ <c oughs> ไม่แน่นอน <c oughs> อย่างนี้เลย ดังนั้นพระองค์เจ้าจึงได้ทรงแสดงเหตุผลให้พวกการามชนเหล่านั้นฟังว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเมื่อผูใ้ใดสะสมไว้มากๆหรือสมทันมั่นไว้แล้วสามารถที่จะฆ่าสัตว์เป็นต้นได้หรือไม่พระองค์เจ้าตั้งเป็นปัญหาแล้วถาม พวกกรามชนหัวหน้ากรามชนกดทูลตอบพระองค์ว่าสามารถฆ่าสัตว์เป็นต้นได้พระเจ้าข้า <c oughs> ความโลภความโกรธความหลงนี่ <c oughs> เมื่อบุคคลละแล้ว <c oughs> ก็สามารถที่จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้ใช่ไหม <c oughs> ใช่พระเจ้าข้า <c oughs> นี่เพราะฉะนั้นท่านหลายจงพิจารณาดูว่าถ้าใครสั่งสอนให้ละความโลภด้วยการบริจาคทานให้ให้รักษ า, าให้ละความโกรธด้วยการเจริญเมตตาหรือสมทานมั่นในสิ้นถ้าใครสอนให้ละความหลงด้วยการเจริญภาวนาทําใจให้สงบระงับ จนเกิดปัญญารู้แจ้งในขันห้านี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาคำสอนอันนั้นแหละเรียชื่อว่าเป็นทางดับทุกข์ได้จริงๆท่านทั้งหลายชงสำเหนียกเอาเมื่อพระ อ, องค์เจ้าทรงแสดงเหตุผลของชีวิตให้พวกกาลามชนฟังอย่างนั้น พวกนั้นก็เข้าใจได้อย่างนี้นะโดยพวกนั้นก็เลยไม่ไม่หลงไมง่งมงายไปตามละที่อื่นอื่น <c oughs> อันคําสอนให้ละความโลภโกรธหลงออกจากขิตใจนี่เหมือนก็เลยมีแต่ในพุทธศาสนานี้เท่านั้นไม่ได้มีอยู่ในที่อื่นเช่นนั้นพวกการามชน เชียงได้พร้อมใจกันปฏิ ญ, ญาณตนถึงคุณพระพุทธเจ้ากระทำประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตไปโดยไม่ได้นับถือลทัทธิอื่นใดศาสดราได้มาเป็นที่พึ่งเป็นอันขาด <c oughs> อันนี้เพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พระองค์จึงตรัสไว้ในพระธรรมคุณนั้นว่า สันธิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองอถ้าหากว่าปฏิบัติไปไม่รู้เองไม่เห็นเองขึ้นในใจแล้วการปฏิบัติของพู้นั้นก็ไม่ได้ผลเพราะองค์ไม่สอนให้เชื่อไปทมตามกันเฉยๆเพราะองค์แนะนาสั่งสอนแล้วให้ลงมือปฏิบัติทดลองดูเมื่อทดลองไปปฏิบัติไป หากว่ามันถูกทางอย่างนี้นะใจมันก็สงบลงก็เยือกเย็นสบายแล้วปัญญาความรู้ความฉลาดก็เกิดขึ้นรู้แจ้งในบาปบุญคุณโทษได้เป็นอย่างดีนั่นการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าปฏิบัติถูกทางแล้วมันได้ความรู้ความฉลาดเรียกว่ามีความเห็นถูก เห็นชอบอืมไม่ไม่ไม่เห็นผิดเห็นว่าทําอย่างนั้นเป็นบาปจริงก็จริงก็เห็นแจ้งประจักษ์จริงๆอย่างนี้แหละเห็นว่าทําอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลก็เมื่อพิจารณาดูด้วยปัญญาแล้วก็เห็นแจ้งว่าเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆเออใครจะว่าไม่เป็นบุญก็ช่าง แต่เมื่อผู้นั้นเห็นแจ้งประจากด้วยตนเองแล้วก็ไม่วันไหวในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าทรงพระประสงค์ให้ผู้นับถือคำสั่งสอนของพระองค์นั้นลงมือปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงประจากด้วยตนเองอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายก็จึงสมควร ลงมือประพฤติปฏิบัติไปตามคำสอนที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นให้เต็มความสามารถของตนจนมันรู้เองเห็นเองขึ้นมาให้ได้อย่าเพียงสักแต่ว่าเชื่อตามตามกันไปเฉยเฉยอันนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่จุดประสงค์ของพระพุษษษทธศาสนา <c oughs> เช่นอย่างว่าพระภิกษุสงฆ์อย่างนี้เนะี่ย เมื่อบวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วในพระวินัยก็บัญญัติไว้ว่าต้องศึกษาเล่าเรียนฝึกฝนอารมณ์ตนอยู่กับสำนักของอุปชาหรือมิฉะนั้นก็ไปอยู่สำนักของอาจารย์อย่างน้อยก็ห้าปีอย่างมากก็มากกว่านั้ น, นระยะห้าปีนี่ ได้รับการอบรมฝึกฝนกับอุปชาอาจารย์ไปสังเกตความเป็นไปของอุปชาอาจารย์ถือเอานิสใสอันดีงามของท่านไปคำสอนอุบายต่างก็ซึมซาบเข้าสู่จิตใจเช่นนี้แล้วก็นับว่าผู้นั้นเป็นผู้ได้รับบรรดก จากอุปชาอาจารย์ไปมรดกคือความรู้ความเข้าใจในธรรมวินัยนั้นขอพึ่งตัวเองได้อย่างนี้นี่ก็ทรงอนุญาตให้เป็นนิสัยยมุตคือพ้นจากนิสัยของอุปชาอาจารย์ไปได้นี่แหละในธรรมในวินัยของผู้ประพุทธ ผู้มาจันท์หรือผู้เป็นนักบวชนี่พระพุทธเจ้าก็วางระเบียบลงไว้อย่างนี้ก็เพื่ออะไรแล้วเพื่อให้ผู้ที่บวชเข้ามาใหม่นั้นน่ะได้ฝึกฝนอารมณ์ตนซะก่อนก่อนที่จะได้ไปเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนําสั่งสอนผู้อื่นก็ต้องพยายามสอนตนให้ได้ก่อนให้รู้จักผิดรู้จักถูกด้วยตนเอง รู้จักอาบัตหนักอาบัตเฝารู้จักวิธีออกกากอาบัตทองปฏิโมกให้ได้จำปฏิโมกได้แล้วก็มีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระรัตนกรอย่างมั่นคงแล้วก็เชื่อกรรมเชื่อผลของครรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวเป็นผู้ไม่เกียจคร้านมีความเพียรความขยันในข้อวัดปฏิบัติไม่ท้อถอย เอออย่างนี้นี่นับว่าพอจะเป็นตัวอย่างของคู่น้อยคู่มาพึ่งพาอาศัยได้เออดังนั้นผู้ที่บวชเข้ามาฝึกผนอารมณ์ตนไปถึงห้าพันษาแล้วนะ้ากว่าผู้ใดตั้ง อ, อกตั้งใจจริงทิงก็พอที่จะเน้นํำสั่งสอนผู้อื่นต่อไปได้แต่บางคนนั้นห้าพันษาก็ยังไม่รู้อิโน อ, อิเนอะไร ในธรรมวินัยต้องพึ่งอุปชาอาจารย์ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็มีมันก็เกี่ยวแก่อุปนิสัยวาสนาแม้ทายกทายิกาผู้ครองเรือนทั้งหลายก็เหมือนกันดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงวางระเบียบไว้ว่าเจ็ดวันนี้สมควรที่จะสละกิจบ้านการเรือนเข้าวัดสวรรค์นหนึ่ง แล้วก็สมทานอุโบสถศีลด้วยฟังธรรมด้วยอบรมจิตใจไปพร้อมกันชั่วระยะวันหนึ่งคืนหนึ่งเช่นนี้นี่ก็นับว่าเป็นการชำระกายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสวาพธรรมไปได้ไม่มากก็น้อย อ, อย่างนี้แต่ะเจ็ดวันก็มาชำระ ทิงที่มัวหมองออกจากกิจใจสักครั้งหนึ่งสำหรับผู้ครองเลือนเนี่ยก็นับว่าพอดีแต่ว่าคนส่วนมากไม่ค่อยใส่ใจนะนี่แหละไม่ค่อยใส่ใจถ้าใส่ใจกันก็ไม่ไม่กี่คนเท่าที่เห็นมาแล้วนะไม่กี่คนคนส่วนใหญ่ไม่กระทือรือล้นข้อปฏิบัติเหล่านี้ ปล่อยให้ชีวิตมันล่วงโรยไปเสียเปล่าเมื <c oughs> ่ออยู่นานปีนานเดือนไปก็เท่าแก่ชลาไปถึงกะนานก็ยังไม่นึกถึงตนคนบางคนยังไม่นึกถึงว่าตนนั้นมีบุญมากแล้วหรือยังถ้าว่าทบทวนดูตัวเองก็รู้ได้ว่าตนนั้นมีบุญยังน้อยอยู่บุญยังไม่มากพอ เพราะนั้นก่อนตายนี่เราจงพยายามสะสมบุญให้มันได้มากๆให้เต็มความสามารถถ้าผู้ใดคิดได้อย่างนี้นี่มันก็เข้าวัดเข้าวากันไปแหละเป็นอย่างนั้นผู้ใดคิดไม่ได้อย่างนี้นี่ก็หมกตัวอยู่แต่บ้านเจเรือนถ้าเป็นคนแก่คนชราก็ผูกพันอยู่แต่กับลูกกับหลานกับบ้านกับช่องโดยอ้างว่า พ่อแม่ของเขาไม่ว่างไปทำงานจําเพนก็ต้องได้ดูแลลูกหลานลูกของเขาก็อ้างอย่างนั้นเนี่ยคนแก่กคนชราส่วนมากนะถึงไม่ได้เข้าวัดเข้าวาอะไรเลยปล่อยให้ชีวิตมันร่วงโรยไปเสียเปล่าไม่ได้สั่งสมบุญบา ร, รมีอะไรให้เกกล้าขึ้นในตนนวนาเสียดายการเกิดมาเป็นคนนี่นะ ถ้าผู้ใดคิดได้ดังกล่าวมานี่เนี่ยก็ต้องหาอุบายปรีกตนจากบ้านเข้ามาสู่วัดวาอารามสมทานสศิลโวสถฟังธรรมสำรวมอินทรีสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษต่างๆหรือจากกิเลสเครื่องผูกพันต่างๆ สำรวมจิตมาให้มันคิดไปเกาะไปเกี่ยวข้องกับทางบ้านทางเรือนให้พยายามกำหนดเอาปัจจุบันนี่เป็นอารมณ์เช่นนี้นะผู้นั้นก็จะได้เพิ่มเติมบุญกุศลจากของเก่าที่มีอยู่แล้วนั้นให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับได้แต่คนส่วนมากไม่รู้จักนี่ไม่คิดที่จะสั่งสมบุญกุศล ให้มากขึ้นในตนแปลกแท้ๆอย่างว่าไม่ไม่คิดกันเลยแต่เชื่ออยู่ว่าเชื่อบุญเพราะว่าบุญกุศลนี่จะนำมาซึ่งความสุขจริงเชื่ออยู่แต่แล้วควไม่คิดที่จะสั่งสมบุญกุศลเพิ่มเติมให้มากขึ้นถ้าว่าคิดอย่างนี้ก็คิดเพียงแค่ทำบุญจักบาตรให้ทานไปเท่านั้นแล้วก็แล้วไปเลย อันที่จะคิดว่าจะมาฝึกกายวาจาใจให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมนทินต่างๆนี่ไม่ค่อยคิดกันเลยคนส่วนมากนะใจตนเองมัวหมองอยู่อย่างไรก็ปล่อยให้มันมัวหมองอยู่อย่างนั้นเลยใจตนเป็นทุกข์เป็นโศกอยู่อย่างไรก็ปล่อยให้มันทุกข์มันโศกอยู่อย่างนั้นไม่หาหนทางที่จะแก้ไขจิตใจตัวเองให้มันหายจากความทุกข์ความโศก ความฟุ้งซ่านเลื่อนลอยต่างๆอยนั้นไม่คิดที่จะแก้ไขเลยปล่อยให้ใจมันเลื่อยเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นให้มันเศร้าหมองไปอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วตายไปมันจะไปไปมันจะไปสู่ความสุขได้อย่างไรมันจะไปสู่สถานที่มีความสุขได้อย่างไรเพราะเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ ก็ปล่อยใจของตนให้บาปประทรมึงครอบงำเอาให้เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่นั้นแล้วอย่างนี้นี่เมื่อตายลงไปนั่นบุญมันจะช่วยได้ยังไงอ่ะเพราะว่าตนนั้นไม่ไม่เชื่อในบุญเต็มที่เออไม่เคารพต่อบุญไม่ทำความพอใจในบุญนั้นให้มาก แล้วไปทำความพอใจกับกิเลสบาปธรรมปล่อยให้กิเลสบาปธรรมครอบงำจิตใจอย่างนั้นเลยแล้วจะให้บุญที่ทานี้ช่วยได้อย่างไรเหลือจะทำบุญแต่ว่าใจตนไม่ชดจออยู่ในบุญแล้วจะให้บุญช่วยได้อย่างไรคิดให้ดี <c oughs> เพราะว่าบุญและบาปมีใจเป็นใหญ่อย่างที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆแหละเรื่องนี้นะ มันมีใจนี่นะสร้างมันขึ้นบุญก็ดีบาปก็ดีนะทีนี้เมื่อใจสร้างขึ้นแล้วใจไม่ฝักใฝ่แับนี้ไม่รักษามันก็หายได้เหมือนอย่างเงินทองหามาแล้วอย่างนี้ไม่เก็บเงาไว้เป็นที่เป็นทางเหมือนก็หายได้ก็อย่างนั้นแหละบุญกุศลก็เหมือนกันเนะไม่ใช่ว่าอืมเราทําไปแล้วมันต้องได้อยู่วันยังค่ำแล้วทำบุญเนี่ยวังนั้น แล้วเราไม่ไม่เอาใจใส่ไม่ภาวนาไม่น้อมนึกไม่สำรวมใจเข้ามาตั้งอยู่ภายในไม่นึกถึงความดีที่ทนทามาอย่างนี้นะปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปยุดยึดไปถือสิ่งภายนอกอยู่อย่างนั้นนี่แล้วเลยละบุญหายเข้ากรบดเมฆไปเลยบุญไม่ได้อยู่กับตัวเราถ้าเป็นอย่างนั้นนะ่ะเพราะว่าใจมันไม่ฝักใฝ่ในบุญแล้ว ใจมันตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาไม่ได้ฟังคำตักเตือนสั่งสอนออจากพระเจ้าพระสงฆ์เช่นนี้นะคนเราเมื่อขาดการฟังขาดการแนะนาตักเตือนแล้วนี่มักจะหลงอะลืมตัวไปเลยนะเวออ้นเสียแต่ท่านผู้ได้บรรลุธรรมของจริงแล้วเท่านั้นเลยถึงจะไม่ลืมตัว ท่านรู้ตัวอยู่เสมอแหละท่านผู้บรรลุธรรมของจริงแล้ว<ม>ท่านขาจัดกิเลสออกไปจากกิจใจ<ม>เรียกว่าขาจัดกิเลสส่วนยับยับนั่นออกไปจากกิจใจได้หมดแล้วสำหรับผู้บรรลุมรรคในขั้นต้นนี้นะ<ม>ดังนั้นท่านถึงไม่หลงไหล<ม>ถึงไม่เกาะไม่คล้องอยู่ในโลกอันนี้ เมื่อบทอายุสังขารแล้วก็มีสวรรค์เป็นที่ไปอันนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เลยแต่พุทุชนนี่นะยังไม่บรรลุธรรมของจริงอย่างว่าเนี่ยเพียงแต่ได้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสว่าบุญมีจริงบาปมีจริงเท่านี้แล้วแต่ว่าตนไม่มีความเพียรที่จะมาฝึกฝนจิตใจ คำจัดตัณหาอันอยากพายออกจากขิดใจเช่นนี้แล้วมันก็รับประกันไม่ได้เลยอืถึงแม้ทําบุญอยู่กระชั้งแต่แล้วตัณหาอาวิชชาบางอย่างมันก็ผลักดันให้ไปทําบาปคู่กับบุญแบบนี้นั่นแหละอใจของพุตรชนนี่นะชั่วโมงนี้นะใจบุญแหละเอาชั่วโมงต่อไปเกิดใจบาปขึ้นเมื่อไรก็ได้ นี่ไม่แน่นอนในใจของมนุษย์ชนเป็นอย่งนั้นเพราะฉะนั้นแหลวพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนไม่ให้ประมาทต้องให้ระมัดระวังใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาคอยควบคุมจิตเมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีอะไรตัวอะไรกระทบกระทั่งมาเราจะต้องห้ามจิตให้ได้เมื่อให้วันไว้ไปตามเรื่องที่ไม่ดีต่างๆหมดนั่นเรื่องบางอย่างมันก็มายั่วให้เกิดความรักความใคร่ ความพอใจจนเกินขอบเขตเรื่องบางอย่างมันก็มากระทบกระทั่งจิตใจมายั่วยวนชวนให้โกรธชวนให้ไม่พอใจต่างๆเรื่องบางอย่างมันก็มายั่วยวนชวนให้ใจหลงใจเมาเพลิดเพลินไปตามกระแสของกิเลสนั่นนั่นมันเป็นอยู่อย่างนี้นะ ให้พากันเข้าใจอันจิตของบุตรชนนี่นะ่ะเพราะว่ามันยังถอนรากของกิเลสอันหยาบๆนั้นออกไม่ได้อันกิเลสหยาบๆนั่นแหละมันมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยคนเราทําบาปเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยคนเราทําบาปด้วยกายด้วยวาจาอมีใจเป็นผู้บงการเป็นอย่างนั้น เพราะใจสู้อำนาจกิเลสำหยาบอันนั้นไม่ได้เหตุนั้นจึงได้ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษ อ, อันเป็นการกระทำที่ทำให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะการกระทำของตัวเองอันนี้นะ <c oughs> พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรใส่ใจให้มาก วันนวิได้ใช้ตัวเองให้มากไม่เช่นนั้นแล้วก็เอาตัวเองรอดจากทุกไปไม่ได้เลยเหลือแต่นับถือพระพุทธศาสนาแต่แล้วพุทธศาสนาก็ช่วยให้พ้นจากนารกไม่ได้ก็เพราะอะไรแล้วก็เพราะว่าตนไม่เอาใจจดจ่อต่อศาสนาจริงๆเนื้อเหมือนนะทำบุญแล้วก็ทิ้งบุญดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเลย ไม่สำรวมใจอยู่ในบุญไม่สำรวมบุญไว้ในใจอย่างนี้เราจะให้บุญช่วยยังไงได้นะทำบุญไปแล้วเอาถึงเรื่องบาปมาถึงเข้าฝดไปทำบาปเข้าไปอย่างนี้นะแล้วจะว่างไงบะ น, นี้น ะ, ะเมื่อว่าใจนะั้นมันชอบบาปมากกว่าบุญบะนี้แน่นอนแล้วมันต้องไปเสวยผลของบาปก่อนคนจาก เสวยผลของบาปนั่นแล้วก็จึงมาเสวยผลของบุญต่อภายหลังอันนี้ก็เป็นกฎธรรมดาอยู่อีกเหมือนกันนั่นเนี่ยผู้มีปัญญาทั้งหลายรู้อย่างนี้แล้วก็วพยายามสิขจัดสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษทั้งหลายออกไปจากกิจใจนี้ให้ได้จะไปยึดถือเอามันไว้ทำไมไปสร้างเอานไว้ทำไมอ่ะก็มันก่อทุกข์ให้นี่อื ทำไมไม่รู้ล่ะ ห, หรือหรือว่าไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าหรื อ, อยังไงอะ่ะนั่นนีถ้าไม่เชื่อแล้วจะนับถือพระพุทธศาสนาไปทำไมอะ่ะจะกราบไหว้ทำไมอะ่ะนั่นนีถ้าลงมือกราบไหว้ลงไปอย่างนั้นแล้วจะรอถึงสละเข้าของเงินทองให้ทานปาน น, นนั้นแล้ว แล้วยังยั ง, ย, งยังไม่เชื่ออยู่เนี่ยยังไม่เชื่อว่าบาปมียังไปทำบาปอยู่อย่างนี้นะมันน่าคิดเหมือนกันนะขอให้คิดให้ดีแนละ้วผู้ฟังทั้งหลายเนะคิดรองดูให้ดีอผู้ผู้สอนผู้เทศน์นี่ไม่ได้บังคับให้เชื่อหรอกเพียงแต่แนะนำขอให้น้อมเอาคำสอนนี่ไปคิดไปตรองดูให้รู้ให้เห็นประจักษ์กันด้วยตัวเองเท่านั้นแหละ ให้มีอิสระเต็มที่คืออิสระในการที่เอาไปคิดไปตรีไปตองดู hmm. ด้วยปัญญาตาใจของตัวเอง <c oughs> ให้ได้ hmm. เมื่อเราทำใจให้สงบลงไปแล้วนี่แน่นอนแหละหากว่าเราเรานึกถึงบาปว่าบาปเป็นยังไงนอนนี่ ปัญญามันจะฉายแสงออกมาให้ดูเลยอ่ะมันจะมันจะบอกมาว่าบาปนั้นมีลักษณะอาการอย่างนั้นอย่างนั้นอมันรู้แจ้งขึ้นมาได้ด้วยตนเองขึ้นมาเลยแลประกอบกับได้ยินได้ฟังมาบ้างถึงแม้ว่าได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่ตนเอง ไม่ทําใจให้สงบ pler. แล้วไม่พื้นผู้เอาความรู้ที่ได้ยินได้ฟังมานั้นมาวินิจฉัอยอีกครั้งหนึ่งเช่ <S 2> <S 2> นนี้นี่มันก็ไม่แจ่มแจ้งได้ <S 2> <S 2> ให้เข้าใจเพราะนั้นเราได้ยินได้ฟังเรื่องสาคัญสาคัญอะไรมาจำได้แล้ววันนี้เวลานั่งสมาธิภาวนาทําใจให้สงบลงไปแล้วก็กำหนดเอาเรื่องนั้นมาวินิจฉัยดูมันจะ เห็นแจมแจ้งขึ้นในเรื่องนั้นเห็นเหตุเห็นผลในเรื่องนั้นได้โดยแจมแจ้งเลยคลายความสงสัยในเรื่องนั้นออกได้ ừ, ด้วยอำนาจแห่งสมาธิและปัญญาที่เราบาเพ็ญ ใ, ให้เกิดให้มีขึ้นนั่นแหละนี่นะการที่บุคคลจะมารู้แจ้งในเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษต่างๆต้องมารู้แจ้งด้วยใจที่สงบอยู่ในปัจจุบัน แล้วเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นตลอดถึงรู้แจ้งในอริยสัจจธรรมทั้งสี่นี้ก็ก็ต้องมารู้อยู่ในปัจจุบันนี่รู้อยู่ด้วยการทำใจให้สงบแล้วเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญายกเกิดขึ้นเพราะความดำริถ้าบุคคลใดไม่ชอบดาริตรีตองแล้วปัญญาไม่มีปัญญาไม่เกิด เช่นอย่างความจริงข้อแรกเมื่อใจสงบลงไปแล้วก็มาดำหลี่ในใจว่าเอ๊ะคำว่าทุกทุกนี่มันหมายเอาอะไรหนออะไรหนอเป็นทุกอย่างนี้นะเมื่อดำหลี่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วปัญญามันจะต้องโผล่ออกมาแน่นอนเลยเอ่าพอเราดำหลีต่ตรีตองไปนี่มันจะค่อยรู้ค่อยเห็นขึ้นมา แล้วประกอบก็ได้ยินได้ฟังบ้างได้ดูสำหรับตำราบ้างอย่างนี้นะแล้วก็มาวินิจใช้ทุกเรื่องของทุกอยู่ในปัจจุบันนั้นอย่างที่เคยแสดงให้ฟังมามากต่อมาแล้วเหมือนกันในเรื่องลักษณะอาการของทุกนี่นะในครั้นี้เพียงแต่เตือนให้ผู้ฟังทั้งหลายนั้นอย่าไปลืมเรื่องการพิจารณาเรื่องทุกนี่นะบุคคลผู้ไม่รู้จักทุกนี่แหละจึงไม่เบื่อสองสารอันนี้ จึงไม่อยากพ้นไปจากสงสารอันนี้จึงไม่อยากต้องการทำความภาคเพียนพยายามปล่อยให้คีเลสครอบงาจิตใจไปเรื่อยๆ <c oughs> ไม่รู้จักทุกข์และไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้นะมันก็ไม่ต้องการอย่างหนีจากทุกข์ในโลกอันนี้แหละเพราะว่าทุกข์ทั้งหลายนี่นะมันมีความสุขชั่วคราวนี่เป็นเหยื่อรอ ให้จิตใจของคนเราติดอยู่ในทุกข์นี่ข้อสำคัญมันอยู่ตรงนี้เพราะนั้นทุกคนมันจะต้องมาพี่นาให้เห็นว่าความสุขชั่วคราวนี่นะถ้าไม่รู้เท่าแล้วมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์จริงๆ จ, จะไม่เห็นแจ้งในทุกข์ไม่เบื่อหน่ายในทุกข์และจะไม่ละตันหาอันเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์ทุกนั่นได้ดังนั้นขอให้พากันพี่ณาให้เห็น ให้รู้เท่าความสุขชั่วคราวดังที่เคยแสดงให้ฟังมาโดยลำลับดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้